ช่วงนี้ก็มีเสียงบ่นของผู้คนมากนะว่าอากาศร้อนนอกจากบ่นว่าอากาศร้อนแล้วก็ถึงบ่นว่าฝุ่นมันเยอะแต่ที่ไม่น้อยไปกว่ากันเนี่ยที่ไหนที่ไหนก็ได้เสียงบ่นทํานองเนี้ยก็คือว่าเดี๋ยวนี้มันอยู่ยากชีวิตทุกวันนี้มันอยู่ยากขึ้นเรื่อยเรื่อเสียงบ่นที่ว่านี่มันก็มีมาได้หลายปีแล้วแล้วมันไม่ใช่แค่บ่นเฉพาะหน้าร้อน หน้าหนาอากาศเย็นสบายหรือช่วงหน้าหน้าฝนที่ไม่ค่อยมีฝนเยอะเอาสียงบนที่ว่าเดี๋วนี้มันอยู่ยากอยู่ยากก็ไม่ได้ลดน้อยลงเลยที่จริงเสียงบนแบบนี้มันมีม า, มาตั้งแต่ก่อนโควิดละหน้าที่น่าแปล ก, ก็คือว่าหรือน่าสังเกตกคือว่าเสียงบนเหล่านี้เนี่ยอาจะว่าเสียงบนว่าเนี่ยเดี๋ yn ี้มันอยู่ยากอยู่ยาก มักจะมาจากคนที่มีอันจะ ก, กินนะมีฐานะดีก็หมายความว่าช่วงเข้านี่ก็เรียกว่าค่อนข้างมีความสะดวกสบายพอสมควรเราจะว่าไปแล้วเนี่ยเทียบเกับเมื่อก่อนผู้คนก็มีความสะดวกสบายมากขึ้นเยอะทำไม 3ามสิบสี่ปีก่อนนี่รถเก๋งเนี่ยมีไม่มากนะที่ติดแอร์ไม่ต้องพูดถึงรถประจำทางแต่เดี๋ยวนี้รถติดแอร์ก็เป็นเรื่องธรรมดาไปซะแล้วไปไหนมา ไ, ไหนก็เย็นสบายยังไม่นับโทรศัพท์มือถือที่ทำให้ชีวิตมันสดวกสบายมากขึ้น จะสั่งซื้ออะไรก็ทำได้ง่ายใช้โทรศัพท์มือถือทำไรต่อไรมากมายโดยที่ไม่ต้องออกจากบ้านเลยแต่มันก็น่าแปลกที่ว่าความสะดวกสบายที่เพิ่มขึ้นมันไม่ได้ช่วยทำให้ผู้คนเนี่ยรู้สึกว่าชีวิตนี่มันอยู่ง่ายกว่าเดิมเลย ต่กลับบนว่ามันอยู่ยากขึ้นยากขึ้นเลาก็ว่าความสุขกสบายที่เพิ่มมากขึ้นนี่มันไม่ได้มีผลกระทบต่อชีวิตรหรือความรู้สึกของเขาเลยเป็นไปได้ไหมว่าเป็นเพราะว่าความสุขกสบายมันกลายเป็นธรรมดาของชีวิตไปซะแล้วการที่คนเรามีความสุขสบายทุกวันทุกวันทุกวั น, วนแม้ว่า ความสุขสบายจะเพิ่มมากขึ้นแต่พอมันเกิดขึ้นกับเราทุกวันทุกวันทุกวันเราก็เลยเห็นมันเป็นเรื่องปกติธรรมดาเหมือนอากาศที่เราหายใจพอเราหายใจทุกวันทุกวันทั้งที่มันมีความสำคัญแต่ว่าผู้คนก็บางทีลืมไปเลยนะว่า เราหายใจอยู่หรือเรามีลมหายใจที่ช่วยรอเลี้ยงช่วยของเราให้อยู่ได้หรืออาจจะไม่ค่อยเห็นคุนคลางลมหายใจเท่าไหร่เหมือนก็บวามันเป็นของธรรมดาเป็นของตายสำหรับชีวิตเราเป็นละเพราะแม้แต่เราหลับก็งมีลมหายใจเข้าออกเข้าออก นะความสะกสบายของผู้คนในวันนี้บางทีก็ไม่ตายจากลมหายใจคือมันกลายเป็นเรื่องปกติธรรมดาไปแล้วขณะที่ความเหนื่อยยากความทุกข์ความลำบากหลายอย่างมันไม่ได้เกิดขึ้นที่อย่างความสะดกสบายมันโผล่ข้ามาอาจจะเป็นครั้งคราว แต่พอมันเกิดขึ้นบ่อยๆเราก็รู้สึกวันไหวรู้สึกเป็นเดือดเป็นร้อนหรือว่ารู้สึกว่ามันกระทบกับชีวิตของเรามากน่ากะเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้คนทุกวันนี้แม้จะมีความสะดวกสบายมากขึ้นแตก่ก็กลับรู้สึกว่าชีวิตนี้มันอยู่ยากขึ้นเรื่อยๆ แต่จะว่าไปแล้วเนี่ยมันก็มีความสัมพันธ์กันนะถือว่เราอยู่ยากขึ้นเรื่อยๆส่วนเนี่ยเป็นเพราะว่าเราต้องเหนื่ยวการสแสวงหาความสะดกสบายก็ได้ไอ้ความสะดกสบายที่มีอยู่ตอนนี้เนี่ยมันไม่ใช่เป็นของที่ได้มาปเปล่าๆเราต้องลงทุนลงแรงด้วยการหาเงินหาทอง เพื่อมาหล่อเลี้ยงชีวิตที่สะดวกสบายผ่อนรถผ่อนบ้านมีเงินเติมโทรศัพท์มือถือแล้วก็อะไรอะไรต้องหลายอย่างอ้การที่เราต้องทำงานหนักมากขึ้นเพื่อให้ชีวิตมีความสะดวกสบายมากกว่าก่อนเนี่ยมันก็ทำให้หลายคนรู้สึกว่าเหนื่อย ความเหนื่อยความละของผู้คนมันย่กมากจากการที่สแสวงหาความสะกสบายฉันีิเทียวว่าไม่รู้จักพอก็ว่าได้ตัวสะดวกสบายไม่พอก็ต้องให้ลูกนะให้คนกใกล้ตัวสะดกสบายด้วย ร่องเหนื่อยการทํางานเดี๋ยวนี้วันเสาร์ก็ไม่ได้หยุดละและเดี๋ยวนี้ก็ต้องทํางานกันจนถึงดึกดื่นไม่มีเวลาที่แน่นอนเหมือนกับเวลาทํางานสมัยก่อนที่สี่หโมงเย็นก็เลิกกลับบ้านแต่เดี๋ยวนี้งานก็ตามมากับโทรศัพท์มือถือทํางานหนักมากขึ้นไม่เวลาพักผ่อนน้อยลง น่าจะว่าไปเอเวลาพักผ่อนที่น้อยลงสุดก็เกิดจากการที่เราให้มันกับการหาความสุขจากเทคโนโลยีที่เราได้มาหลายคนก็ไม่ได้หลับไม่ได้นอนเพราะว่าดูหนังฟังเพลงดูซีรีส์เกาหลีจนโตรุ่ง แม้ที่ว่าอยู่ยากอยู่ยากในส่วนก็เพราะว่าเราได้ล่าหาความสุขสบายอย่างไม่รู้จักหยุดหย่อนไม่จริงขนาดนั้นคือเราแม้จะมีความสุขสบายแล้วเราก็ยังอยากจะได้มากกว่า น, นี้อยากจะได้มากกว่า น, นี้พออยากจะได้มากขึ้น มันก็เหนือการหาเงินหาทองยิ่งเห็นคนอื่นเขานะมีชีวิตที่สะดวกสบายกว่าเรารู้หราผู่ฟ้ากว่าเรามันก็อดรนทนไม่ได้ที่จะต้องนะยกระดับความสะดวกสบายความรู้หราฟู่ฟ้าให้ทัดเทียมกับคนอื่น เดี๋ยวพเพื่อนบ้านที่อยู่ติดกันซึ่งกระมายึงการที่ต้องทำงานหนักมากขึ้นแล้วแข่งขันกับผู้คนมากขึ้นเรื่อยๆนเดี๋ยวนี้ไม่ได้เตือไม่ใช่แข่งขันอย่างเดียวแล้วก็ต้องให้ลูกๆแข่งขันกับเขาด้วยเดี๋ยวนี้จะหาที่เรียนดีๆนี่ก็ต้องเหนื่อยมาก จะให้ลูกเรียนโรงเรียนที่ธรรมดาธรรมดาก็กระไรอยู่เพราะว่าลูกคนอื่นเขาเรียนโรงเรียนหรูโรงเรียนอินเตอร์ให้เราก็ลูกเราก็ต้องเรียนอย่างนั้นมั่งดูว่าอยากให้เขาได้เรียนในคณะในมหาวิทยาลัยที่จะทําให้หลราประกันว่าจะได้มีงานทําที่มั่นคง สามารถที่จะหล่อเลี้ยงชีวิตที่สะดวกสบายให้มันต่อเนื่องยั่งยืนหรือยิ่งกว่าเดิมได้แค่นี้เราไมไ่แค่ต้องการความสะดกสบายเราต้องการอย่างอื่นด้วยต้องการความเทียมหน้าเทียมตาต้องการชื่อเสียงต้องการการยอมรับต้องการเล็กต้องรายต้องหลายอย่างตามกระแสะที่ผู้คนเขานิยมกัน มันก็เลยลงเออด้วยความรู้สึกว่ามันเหนื่อยเครียดร้าและแน่นอนมันต้องเจออุปสรรคนะบางทีก็ทำไม่สำเร็จบางทีก็ต้องแข่งกับผู้คนมากมาย ก็เส้นทางที่ผู้คนเลือกเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นเส้นทางที่ใครๆก็แห่กันไปเพราะเขาเชื่อว่ามันจะทำให้ชีวิตนี้อ่จเจริญรุ่งเรืองร่ำ ร, รวยมันเป็นทางสายใหญ่ที่ใครๆก็แห่กันไปก็ต้องแข่งขันกันเดี๋ยวนี้แค่จะซื้ออ่า o n e รุ่นใหม่นี่ก็ต้องเหนื่อยแล้ว เหนื่อยการเข้าคิวต่อคิวอยากกินอาหารอร่อยร้านดังก็ต้องเข้าคิวกันยาวจริงๆถ้าว่าเรียกร้องต้องการจากชีวิตน้อยลงมันก็ไม่ต้องเหนื่อยขนาดนั้นก็ได้โทรศัพท์มือถือไม่ต้อง iPhone รุ่นใหม่ก็ได้จะ iPhone ตกรุ่นมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องเสียหายอะไร อย่าไปกินร้านอาหารที่ไม่ได้เด่นดังอะไรมันก็ไม่ได้ทำให้ชีวิตเรามีคุณภาพน้อยลงหรือมีความสุขน้อยลงแต่เป็นเพราะเดือนนี้ผู้คนมีความเรียกร้องต้องการจากชีวิตมากขึ้นเรื่อยๆทั้งที่ชีวิตมันก็ดีอยู่แล้วหรือว่าสะดวกสบายอยู่แล้วมีความมั่นคงพอประมาณแต่ก็ยังอยากได้อี ก, ไ ด, อกได้อีกได้ อยากได้อยากได้คือ เ, เรื่อยๆมันก็เลยสุดท้ายก็เหนื่อยล้าเครียดนอนหลับไม่เพียงพอแล้วก็บ่นว่าชีวิตนี้มันอยู่ยากอยู่ยากที่จริงเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ทำให้ผู้คนเนี่ยรู้สึกว่าการใช้ชีวิตมันลำบากมากขึ้นเนี่ยก็เพราะว่ามันมีสิ่งรบเราเยอะยวนเยอะ สิ่งเราเราเย้อยนให้มีความอยากอะไรต่ออะไรมากมายอยากได้สิ่งใหม่ๆไม่รู้จักจบไม่รู้จักสิ้นแต่ขณะเดียวกันก็ต้องเราแวดระวังเพราะเดี๋ยวนี้มันมีผู้คนที่จ้องหาผลประโยชน์หรือจ้องหาประโยชน์จากเราตัวอย่างาง่ายๆก็พวกพิชาชีพแก๊น call center ถ้าเผลอปุ๊บเดียวหรือว่าไม่ได้จับยังชะไม่ได้ใครควรเพียงพอก็เงินก็เกี่ยงธนาคารไปสละหมดจากบัญชีบัญชีธนาคารก็หมดไปเลยยังไม่นับประเภทว่าอย่างนี้มันต้องระมัดระวังในการใช้ชีวิตมากขึ้น เพราะว่าถ้าผิดพลาดนิดเดียวผิดพลาดครั้งเดียวก็ จ, จะเสียหายเพราะาเทคโนโลยีนี่มันเดีย๋ยวนี้มันทั้งเร็วทั้งแรงขับรถถ้าเผลอนิดเดียวก็เกิดอุบัติเหตุโทรศัพท์มือถือถ้าหุนหานพันแล่นนะคอมเมนต์โน่นคอมเมนต์นี่เดี๋ยวก็เกิดเรื่องเกิดราว เดือดร้อนใส่ตัวไปมีเรื่องมีราวกับใครบางทีก็ไม่ได้ใหญ่โตอะไรแต่ว่าก็กลายเป็นข่าวคราวไปทั่ววงการโซเชียลมีเดียเพราะว่าเดี๋ยวนี้กล้องวงจรปิดมันก็มีไปทั่วเหมือนตาสับประรดบางทีแค่ทิ้งขยะไม่เป็นที่เอาความมักง่ายเป็นหลัก นึกว่าไม่มีคนเห็นแต่ว่ามันปรากฏในกล้องวงจรปิดถ้าเป็นคนธรรมดาก็ไม่เท่าไหรายแต่ถ้าเป็นพิธีกรดาราชื่อดังก็วันรุ่งขึ้นก็เสียผู้เสียคนเพราะว่าเขาโพสต์ขึ้นประจานในเฟ e บุ๊กในยูทู e นี่เป็นเหตุผลที่ทำให้คนเนี่ยรู้สึกว่าอยู่ยากมากขึ้นเพราะมันต้องระแวดระวังมากกว่าแต่ก่อน ซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่มาพร้อมกับความสะดวกสบายที่เกิดจากเทคโนโลยีจริงๆแล้วเนี่ยชีวิตมันไม่ต้องอยู่ยากก็ได้นะอย่างที่บอกถ้าเราว่าเราเรียกร้องต้องการจากชีวิตให้มันน้อยลงใครก็จะมีมากมีเยอะก็เป็นเรื่องของเขาถ้าเรารู้จักสันโดษคือพอใจในสิ่งที่มียินดีในสิ่งที่ได้ ไม่ต้องไปดิ้นรนแข่งขันกับใครชื่อมันก็จะเหนื่อยน้อยลงแล้วก็จะรู้สึกว่ามันอยู่ง่ายขึ้นซึ่งมันก็หมายความว่าต้องรู้จักจัดลาดับความสำคัญของชีวิตให้ถูกว่าอะไรเป็นสิ่งสำคัญเงินทองเป็นสิ่งสำคัญที่สุดของชีวิตใช่ไหมหรือว่าการที่มีสินค้าแบรนดะ์เนม โทรศัพท์มือถือต้องใช้ยี่ห้อ iPhone รุ่นใหม่แนะนะท็บเ ล, ล็ตเรก็ต้องเป็น iPad รุ่นใหม่ถ้าว่าเราไม่รู้จักลำดับความสำคัญของชีวิตให้ถูกไปให้คุณค่ากับทรัพย์สินเงินทองของแบรนด์เนมยิ่งกว่าสุขภาพหรือว่าความสัมพันธ์ รวมทั้งสุขภาวะในจิตใจเราก็เจอสือช่วยมันยากขึ้นยากขึ้นแต่ถ้ารู้จักลำดับความสำคัญของช่วยถูกว่าเนี่ยสุขภาพก็ดีความสัมพันธ์ในครอบครัวมิตรภาพรวมทั้งการฝึกจิตให้มีคุณภาพเนี่ยนี่เป็นสิ่งสำคัญเนี่ย ชีวมันก็จะยุ่งยากน้อยลงแต่เดี๋ยวนี้เราผู้คนจำนวนมากนี่เขาไม่รู้จักลํลำดับความสำคัญว่าอะไรสำคัญที่สุดหรืออาจจะลำดับความสำคัญแต่ว่าลำดับผิดนะเช่นให้คุณค่ากับเงินทองของแบรนด์เนมหรือชื่อเสียงมากกว่าสุขภาพมากกว่าความสงบเย็นในจิตใจ มากกว่ามิตรภาพหรือสมัติภาพก็ต้องลงเอยด้วยการที่ชีวิตเนี่ยเต็มไปด้วยความลำบากแม้จะประสบความสำเร็จแต่ก็เหนื่อยล้าบางทีก็สูญเสียสิ่งดีๆของทิ้ไปเช่นเจ็บป่วยหรือว่าเหินห่างบางเมื่อคนที่ใกล้ตัวที่เป็นคนที่มีความสำคัญต่อชีวิต และจริงเนี่ยยุคนี้เนี่ยมันสิ่งหนึ่งที่มันมีความสำคัญอย่างมากคือการที่เรามีสติมากขึ้นชวิตเราจะอยู่ง่ายมากขึ้นถ้าเรามีสติมากขึ้นชีวิทุกวันนี้มาเรียกร้องให้เรามีสติมากขึ้นพอถ้าเราไม่มีสติเราเผลอสติ เราก็จะเสียผู้เสียคนได้ง่ายพลังเผลอทำสิ่งที่ก่อปัญหาตามมาไม่ว่าจะเป็นความหุนหันหนหันพนลันแล่นในการเขียนข้อความคอมเมนต์ทางโซเชียลมีเดียหรือหุนหันพลันแล่นในการทะเลาะบบาแวงกับผู้คนโดยที่ไม่รู้ว่า มีการถ่ายรูปมีการติดกล้องวงจรปิดอยู่ใกล้ๆหรือวิญานพันล่นนะขับรถเร็วแต่ว่าไม่มีสติอยู่กับการขับรถก็เกิอุบัติเหตุถึงกับล้มตายได้ยุคนี้มันเป็นยุคที่เราต้องมีสติมากทีเดียว ในงั้นก็โดนผู้มิชาชีพมาหลอกเอาเงินไปอย่างง่ายได้อย่างสะดวกสบายแต่ว่าคนไม่เคยตระหนักนะว่ายุคนี้เนี่ยสมัยนี้เนี่ยมันนอกจากเราจะต้องมีความเรียกร้องต้องการให้น้อยลงจากชีวิตแล้วเนี่ยเราจำเป็นต้องมีสติมากขึ้น การมีสติให้มากขึ้นมันก็ไม่ใช่เรื่องยากนะเพราะว่าสติก็เป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วในใจเราและการที่จะเพิ่มพูนพัฒนาสติให้มีมากขึ้นมันก็ไม่ได้เรียกร้องเวลาเพิ่มเติมไปจากชีวิตของเราเลยเราสามารถจเจริญสติได้ในชีวิตประจำวันโดยที่ไม่ต้องทำอะไรเพิ่มมีสติอยู่การ เวลาอาบน้ำถูฟันทําความสุขตัวเวลากินข้าวนะเวลาล้างจานกวาดบ้านก็ให้ทำอย่ามีสติมันไม่ได้เรียกร้องอะไรจากชีวิตของเราเพิ่มเติมเลยไม่เหมือมหม่อการไม่เมื่อความร่ํารวยนะหรือความสะขสบายในการดำเนินชีวิตเนี่ยมันต้องมันเรียกร้องอะไรต่ออะไรจากเราต้องหลายอย่าง ต้องให้เวลากับมันจนกระทั่งไม่มีเวลานอนหลับพักผ่อนไม่มีเวลาออกกำลังกายไม่มีเวลาที่จะได้อยู่ดูแลใจใสนะลูกหลานพ่อแม่แต่ว่าปัญหาคนยุคนี้คือว่าสติเนี่ยมันมีเงินเท่าไหร่ก็ซื้อไม่ได้ ไม่เหมือนบ้านไม่เหมือนรถยนต์ไม่เหมือนความสะสบายใช้เงินซื้อได้ในเดือนนี้อะไรที่ใช้เงินซื้อได้เนี่ยผู้คนก็เท ห, หรือว่าหลังไหลไปทางนั้นถานิพพานเนี่ยซื้อด้วยเงินได้คนก็จะทุ่มเทกันซื้อนิพพานแต่ว่าแต่ ว, ว่าแต่นิพพานเลยความสงบเย็นในจิตใจมันก็ เงินก็ซื้อไม่ได้ได้แต่ช่วยอำนวยให้เกิดความสะดวกมากขึ้นแนในขณะที่ยุคนี้เนี่ยเราต้องเรามาเรียกร้องให้เรามีสติมากขึ้นแต่ผู้คนกลับรู้สึกเป็นเรื่องยากและพอเห็นว่าเป็นเรื่องยากก็เลยไม่ใส่ใจหรือว่าไม่ให้เวลากับมันเพียงพอสุดท้ายนะ ก็ต้องเดือดร้อนเพราะการที่มองข้ามความสำคัญของสติไปแล้วผู้คนทุกวันนี้นี่จำนวนมากเลยมีความทุกข์เพราะว่าปล่อยใจให้สติปล่อยใจเผอภัยเพราะว่าสติแตกหรือว่าหักห้ามใจไม่ได้ ถูกความอยากมาครอบงำใจเป็นเหยื่อของสิ่งรอๆเรา ย, ย่วยวนแล้วก็เลยเสียผู้เสียคนหรือว่าต้องตกเป็นเหยื่อของกระแสะเงินตราแต่สุดท้ายก็จะพบว่ามีความทุกข์รุมเรา แล้วก็เลยบ่นว่าเนี่ยเดียวนี้มันอยู่ยากขึ้นยากขึ้นถ้าเรากลับมาตั้งสติให้ดีอันมาใคร่ควรวนว่าอะไรคือสิ่งสาคัญของชีวิตรู้จักระดับความสาคัญของสิ่งต่างๆในชีวิตให้มันถูกต้องแล้วก็ไม่ลหลงไหลไปตามกระแสนิยมเรียกร้องจากชีวิตให้น้อยลง มีความพอใจในสิ่งที่มีดีสิ่งที่ได้ทั้งหมดนี้เรียนเรียกมรวมว่าธรรมะนั่น เ, นเองชื่อมันจะอยู่ง่ายขึ้นนะถ้าคนเรามีธรรมะมากขึ้นแล้ะหรือว่าเอาแค่ว่ามีสติให้มากขึ้นเนี่ยแค่ประการเดียวนี่มันก็ช่วยลดปัญหามากมาย ที่รุมเรา้าผู้คนในเวลานี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานรวมไปถึงเรื่องของสุขภาพเรื่องของความสัมพันธ์ที่รา้าวฉานยิ่งโลกนะมันหมุนเร็วขึ้นชีวิตมีความสะดวกสบายมากขึ้นเทคโนโลยีมันเร็วและแรงมากขึ้นเนี่ยยิ่งต้องมีสติให้มากขึ้นแล้วใครที่จับ ประเด็นนี้ได้เนี่ยนะก็จะอยู่ในโลกนี้ได้ด้วยความสุขความสงบมากขึ้นปล่อยให้ผู้คนที่หลงไหลนะในความสุขชั่วคราวในความรู้หลากห้าเขาก็วิ่งแข่งขันห้าหั่นกันไปแต่ว่าเราก็สามารถที่จะอยู่ได้อย่างสงบ ถ้าเพียงแต่รู้จั ก, จกรักษาใจไม่ให้วันไหวนะไปกับสิ่งร่ำเราเยายวนหรือว่าสิ่งยั่วยุจากภายนอกนั่นก็หมายความว่าเราต้องให้เวลานะกับการฝึกใจให้มีสติมากขึ้นเพียงแค่การหันมาดูแลใจให้มีสติมากขึ้น มันก็ช่วยทำให้ให้ความทุกข์เล็ก ๆ, ๆน้อยๆนะในชีวิตทีม่มารบกวนจิตใจเนี่ยมันรบกวนเราน้อยลงและต่อไปพอเรามีสติและมีปัญญามากขึ้นถึงเวลาเจอเหตุการณ์ใหญ่ๆความสูญเสียคนรักของรักการประสบกับสิ่งที่ไม่รักนะเราก็สามารถที่จะ ก้าวข้ามผ่านพ้นไปได้ถึงตอนนั้นเราก็จะรู้สึกขอบคุณนะที่เราเลือกเส้นทางของการครองสติให้มั่นแล้วก็รู้จักมีความสันโดษนะในสิ่งเสดพอใจในสิ่งที่มียินดีสิ่งที่ได้ไม่เรียกร้องคาดหวังจากชีวิตมากเกินไป